สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมนกักทุกอคุณชอบเล่ากลับมาพบกับทุกท่านอีกแล้วนะครับในหมวดของเรื่องลีลับวันนี้จะเป็นเรื่องลีลับของพี่ทอครับพี่ทอได้มาแชร์และถ่ายทอดให้ผมฟังและผมก็ได้นำมาถ่ายทอดให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันอีกต่อนหนึ่งเรื่องราวจะเป็นยังไงลองฟังกันดูนะครับผมชื่อทอนมีประสบการณ์ชวนคนหัวลุกเมื่อตอนที่ไปเดินป่าภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่เกิดขึ้นกับเพื่อนสนิทที่ชื่อพี่อมมาแชร์ให้ฟังกันครับเือว่าจะเป็นข้อเตือนใจให้หลายๆท่านที่อยากจะไปเดินป่าได้ฟังไว้เพื่อเป็นความรู้ที่ถูกที่คุณจะปฏิบัติเมื่อเข้าป่าเรื่องเรามาเริ่มต้นตอนช่วงที่ผมได้พักร้อนและกําลังเบื่อเบื่อไม่รู้ว่าจะไปไหนดีแต่ในใจก็อยากไปต่างจังหวัดประจวบเหมาะกับเพื่อนซีผมที่ไม่ได้เจอหน้ามานานชื่อเจ้าชายกระทรมาหาพอดี ชวนผมลงใต้จังหวัดนครมันบอกว่ามันต้องไปทำธุระที่ใต้เหมือนมันได้ยินความคิดผมมันอยากให้ผมมานั่งรถไปเป็นเพื่อนขับรถไกลๆมันเหงาแล้วก็ให้ผมหาคนมาช่วยผัดกันขับกับมันด้วยเพื่อความปลอดภัยอันที่จริงผมก็ขับรถได้ครับแต่เจ้าชายมันรู้ดีว่าผมไม่ขับรถทางไกลแน่ๆก็เลยให้หาคนมาเสริมซึ่งผมก็คิดออกว่าควรจะเป็นใครพี่ อ, องคข้างบ้าน พี่ อ, องค์แกเป็นคนที่ขับรถเก่งมากขับได้หมดทั้งรถเมย์รถทัวร์รถดำแกเคยคุยว่าขับมาหมดแล้วยกเว้นแต่รถถังก็เลยบอกกับเจ้าชายไปเจ้าชายก็เห็นดีด้วยให้ลองไปชวนดูแต่ผมก็บอกกับเจ้าชายว่าพี่ อ, องค์แกเป็นคนพูดมากนะจะลาคาหรือเปล่าเจ้าชายก็บอกว่าดีเลยจะได้ไม่เหงาสรุปผมก็ต้องวางสายโทรศัพท์และไปชวนพี่ อ, องค์ข้างบ้านจังหวะดี พอดีแกอยู่บ้านพอดีก็เลยชวนแกแล้วก็บอกความประสงค์ว่าจะให้แกช่วยขับรถโอเคแกตอบแบบไม่ต้องคิดอะไรเลยแต่มีข้อแม้ว่าพอไปถึงต้องเลี้ยงเล่าแกนะผมก็ตอบโอเคไปพี่ององแกเป็นคนชอบจิบเหล้าเพือเพียวแต่แกก็ไม่เคยเมาจเนเละเทะแค่เพ่ะกึมๆพอรมานแล้วผมก็โทรกลับไปบอกเจ้าชายสรุปเรานัดเจอกันวันศุกร์หน้าบ้านผมสัปดาห์นั้นและเมื่อวันที่นัดหมายมาถึง เจ้าชายก็ขับรถคันใหญ่เข้ามาจอดหลังจากแนะนําตัวกันเสร็จพวกเราก็ช่วยกันขนของขึ้นรถออกเดินทางโดยการเดินทางเราใช้ถนนเพชรเกษมตามที่ตกลงกันเจ้าชายขับเวลากลางวันพี่ อ, องจะขับเวลากลางคืนเราเดินทางกันไปถึงจังหวัดประจวบตอนเย็นเพราะระหว่างทางก็แวะตลอดทางเลยพวกเราก็เลยหาของกินกันที่จังหวัดนั้นนั่งพักสักพักก็เดินทางต่อโดยเปลี่ยนคนขับเป็นพี่ อ, อง และการชวนพี่ อ, องค์มาครั้งนี้ก็ไม่ทําให้เราผิดหวังกันเลยแกชวนคุยตลอดทางตั้งแต่ออกเดินทางจนถึงเวลาแกมาขับรถนี่แหละผมกับเจ้าชายก็ผลัดกันนอนผลัดกันคุยกับพี่ อ, องค์จนใกล้ใกล้เช้าพวกเราก็มาถึงจังหวัดนครศรีธรรมราชพอถึงจังหวัดนครก็รีบหาที่พักกันซึ่งก็นไปได้หายากมากนะักได้ที่พักแล้วก็ขับรถไปส่งเจ้าชายให้มันไปทําธุระของมันมันบอกว่าช่วงบ่า ย, ายให้ขับรถไปรับบัณฑิตทีหนึ่ง พอส่งเสร็จพวกเราก็สำรวจท้องที่กันเลยเทเลทไหลไปเรืเ่อยเปื่อยทุกซอกทุกมุมของเมืองนั้นเท่าที่จะสามารถในเวลานั้นช่วงบ่ายๆก็วนรถไปรับเจ้าชายอีกทีเจ้าชายเคลียร์งานเสร็จก็บอกว่าถึงเวลาเที่ยวแล้วพวกเราก็เห็นดีด้วยแต่ยังไม่ทันที่ใครจะออกความคิดว่าไปเที่ยวไหนเจ้าชายก็บอกว่าไปเที่ยวป่ากันเถอะเพราะว่ากันว่าป่าเมืองคอนครเนี่ยน่าเดินที่สุดนะว่าถึง เ, เรื่องเที่ยวป่า ตัวผมเองก็เคยเดินป่ามาบ้างอย่างป่าเมืองการผมก็เคยไปมาแล้วผมก็บอกกับเจ้าชายว่าเฮ้ยแต่ก็บอกว่าป่าภาคใต้นี่ดุนะไม่รู้หรอกเหรอเจ้าชายก็บอกว่าเอาหน้าเอาหน้าไหนไหนก็มาถึงที่แล้วไม่ลองเดินเทียดูให้มันสบายใจหน่อยเหรอถือว่าเป็นประสบการณ์นะ่ะชิวๆพี่ อ, องค์ได้ยินพี่ อ, องค์ก็พูดมาเลยว่าดุเหรอป่ามันดุได้ด้วยเหรอเฮ้ยไม่ใช่ครูนะเว้ยพวกเราก็พลอยหาไปกับแกด้วย และเมื่อสรุปเราสามคนตกลงกันแล้วว่าจะเดินป่าที่จังหวัดนครก็จำเป็นจะต้องมีผู้นำทางพวกเราก็ช่วยกันตระเวนหาคนนำทางในหมู่บ้านละแวกวแถวๆนั้นเพื่อที่จะให้เป็นไกด์นาพาเราเข้าป่าแต่ก็ขับรถวนเดินหาก็แล้วหาจนถอดใจก็ไม่มีใครอาสารับพาเข้าป่าปเลยพวกเราเลยคิดว่าเปลี่ยนแผนดีไหมและระหว่างที่เรากำลังยืนคุยว่าเปลี่ยนแผนก็ดีไหมนะ่ ก็มีผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาทักกลุ่มพวกเราผมเห็นพวกคุณเดินหาคนนําทางเข้าป่าเห็นหามานานแล้วไม่มีใครเข้ารับอาสาเลยใช่ไหมแต่ถ้าพวกคุณอยากเที่ยวกันจริงๆอะ่ะผมจะรับอาสาพาพวกคุณเข้าป่าไปก็ได้คุณสนใจไหมเจ้าชายกับพี่อ๋องได้ยินก็ดีใจเลยรีบตอบตกลงพร้อมกันเลยโอเคครับเมื่อเจรจาค่าแรงกันเสร็จก็นัดกันเลยว่าพรุ่งนี้อยากจะเดินป่า ก, กันตอนเช้ามืด เจ้าชายมันบอกว่าอากาศจะได้ไม่ร้อนค่อยๆเดินเข้าไปอากาศคงจะดีน่าดูตอนเช้ามืดแล้วค่อยๆไปสว่างข้างในแล้วก็นัด ก, กันว่าจะเจอกันตรงไหนจุดไหนจากนั้นพวกเราก็แยกย้ายกันคือคือนนี้ต้องกลับไปโรงแรมก่อนละเพื่อไปนอนพักผ่อนเอาแรงระหว่างทางกลับโรงแรมพี่องค์แกกระทวงขึ้นมาเลยว่าไหนอะไหนใครบอกจะเลี้ยงเหล้าวะผมก็เลยต้องจอดรถแวะซื้อให้แกสัก1่แบน ก็กะว่าให้แกกินพอกลุ่มๆนอนหลับสบายๆคืนนี้แหละพรุ่งนี้จะได้เดินป่า ก, กันต่อเช้าวันรุ่งขึ้นเราก็ไปถึงตรงที่จุดตัดหมายกันไปรอสักพักก็เห็นพี่คนนำทางเดินเข้ามาหากลุ่มพวกเราพวกเราเลยตะโกนบอกว่าได้โปรดพาพวกเราเข้าไปแอดเวนเจอร์กันทีนเถอะพี่คนนำทางก็ยิ้มแต่ก็สังเกตดูเห็นแกมีท่าทางมองหลึกๆหลึกๆรอบตัวยังไงพี่คนอยู่แต่ก็ไม่ได้สนใจอะไร เราใจพวกเราอยากจะเข้าป่ากันเต็มแก่แล้วและแล้วพวกเราก็เดินทางเข้าป่ากันโดยที่มีพี่คนนำทางนำทางเข้าไปโอ้ลืมบอกไปครับพี่คนนำทางแกชื่อวินพี่วินก็นำทางพวกเราเข้าไปพวกเราเดินไปได้ประมาณ20นาทีกว่าๆ ก, ก็มีความรู้สึกว่าต้นไม้มันดูคลึมคลึมอึมคลึมรกเข้าไปเรื่อยๆแสดงว่าพวกเราได้เข้ามาในอณาเขตของป่ากันเข้าไปทุกทีแล้ว และระหว่างทางที่เดินเข้าไปนั้นพี่ อ, องค์แกก็พูดไม่หยุดเลยพูดโนูน่นพูดนี่พูดพร่ำเพื่อไปเรื่อยๆตอนแรกๆ ก, ก็ไม่ค่อยรู้สึกอะไรแต่ตอนหลังๆก็รู้สึกว่ามันช่างน่ารำคาญซะแล้วตอนนี้แกเล่นพูดไม่หยุดเลยพูดนู่นพูดนี่เจออะไรก็ทักถามทั่วไปมั่วพี่วินคนนาทางแกก็หันมาบอกว่าสํารวจหน่อยครับสํารวจหน่อยครับแต่ก็ไม่ค่อยจะเป็นผลพวกเราก็เดินกันไปเรื่อยๆเดินลึกเข้าไปเรื่อยๆ จนรู้สึกว่าจะเริ่มเหนื่อยแล้วก็จะหาที่พักกันตรงจุดที่พักกันตอนนั้นมันคลื้มมากอากาศก็เย็นสบายจริงๆแสงแดดส่งเข้ามาไม่ค่อยจะถึงพื้นกันแล้วเพราะว่าความหนาแน่นของใบไม้บนต้นไม้มันบังแสงแดดเอาไว้บรรยากาศมันดูเหมือนตอนเย็นๆใกล้ๆจะมืดโผเพสพิกลตอนนั้นพี่อ๋องแกก็ร้องเพลงขึ้นมาร้องดังลั่นเลยผมกับเจชายมองหน้ากันเหลิกลักเลย ที่วินหันมาเอ็ดว่าขอโทษครับขอโทษครับคุณนี่เราอยู่ในเขตของเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าที่เจ้าทางควรให้ความเคารพและสำรวมนะครับพี่องค์ก็หันมาบอกว่าเฮ้ยคิดมากนะมีความสุขจะตายร้องเพลงไม่ได้เหรอเจ้าที่เจ้าทางนี่หน้าตาเป็นยังไงอะ่ะเคยเห็นกันเหรอเฮ้ยคิดมากหรือเปล่าแต่ว่าถ้ามีจริงก็ดีก็จะได้คุยกับแกซะหน่อยว่าร้องเพลงอมันผิดเหรอคนมีความสุขเนะี่ย พี่วินไม่ยิ้มด้วยพี่บินมองหน้าเขมงเลยพี่อ๋องแกเลยเงียบแต่ก็อมยิ้ม เ, เล็กๆที่มุมปากและพี่วินก็บอกให้พวกเราฟังว่าคุณรู้หรือเปล่าว่าทำไมถึงไม่มีใครพาคุณเข้าป่ามาเลยตอนคุณไปหาให้เขานำทางให้เพราะว่าเขาถือกันว่าช่วงเวลานี้ฤดูนี้มันเป็นฤดูพักผรนมันเป็นเวลาที่เจ้าป่าเจ้าเขาท่านจะออกมาเดินชมนกชมไม้กันบ้าง ท่านเลยไม่อยากให้ใครเข้ามารบกวนในป่าในเวลานี้พี่องค์ก็บอกเฮ้ยจริงเหรองั้นก็แสดงว่าเคยมีคนเห็นเจ้าป่าเจ้าเขาจริงๆใช่ไหมยังไม่วายแกยังแซวพี่วินอีกพี่วินก็ไม่ได้สนใจอะไรก็ถือว่าแกไม่มีตัวตนตรงนั้นเลยแล้วกันก็หันมาคุยแต่ผมสองคนกับเจ้าชายผมก็ตั้งใจฟังแกแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรกันมากเพราะผมก็ไม่ได้ลบหลู่อยู่แล้วแต่ก็เป็นห่วงไม่ได้กับพี่องค์ดูท่าทาง สงสัยแกจะต้องเจอดีแน่ๆคืนนี้เรานั่งพักกันได้สักพักหนึ่งพี่วินก็บอกว่าออกเดินทางกันต่อเถอะนี่ก็เวลาก็ล่วงไปเยอะแล้วเราควรจะไปถึงที่ที่จะพักได้ก่อนจะมืดว่าแล้วแกก็เดินนําทางต่อพวกเราก็เดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆโดยที่มีพี่ององเดินตามหลังมาตลอดพี่องค์แกก็ไม่พูดอะไรแต่ก็งึม ง, งำไปตลอดทางพูดโน่นพูดนี่คนเดียวของแกสงสัยจะเป็นเพอริทิอังกอฮอร์ที่แกดื่มเข้าไป เราไปเห็นแกแอบเอามาจิบมาจิบด้วยตลอดเลยตอนแรกก็คิดว่าแกน่าจะกินหมดตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกปล่อยไปตามเรื่องของแกแล้วเมื่อเดินแกไปถึงตอนเย็นเราก็มาถึงจุดที่พักกันจนได้จุดที่พักจะเป็นเต็นท์สองหลังมีหลังใหญ่กับหลังเล็กพี่วินบอกว่าเป็นเต็นท์ที่แกมาปลูกไปนานแล้วเพราะว่าตรงเนี้จะเป็นที่ที่เอาไว้พักเวลาเดินป่าทุกครั้งตรงนี้ทำเล ด, ดีที่สุดแล้วมีต้นไม้ใหญ่ล้อมเยอะ แล้วก็ใกล้กระแหล่งน้ําด้วยสะดวกทุกอย่างสามารถจุดกองไฟเพื่อกันสัตว์ป่าเข้ามาทําร้ายได้แต่เวลาจุดกองไฟพวกเราต้องขุดหลุมไปนะเพราะกันไฟมันจะลามป่าผมกับเจ้าชายและพีวินก็เลยช่วยกันโยงเต็นท์กันใหม่ขึงให้มันแข็งแรงมั่นคงขึ้นเพื่อที่คืนนี้พวกเราจะได้พักแรมกันที่นั่นพี่ อ, องค์นี่ไม่ต้องพูดถึงตั้งแต่มาถึงจุดที่พักแกก็นั่งเงียบมาตลอดเลยก็เลยคิดว่าแกคงจะกลุ้มๆของแกเพลินๆของแกไปก็เลยไม่ได้สนใจอะไรก็ดี เย็นนั้นเราก็ทํากับข้าวกินกันอย่างอเรเดยดอร่อยนั่งคุยกันไปเรื่อยเรื่อยเรเปื่อยเร่ยเปื่อ ย, อยแต่ผมสังเกตว่าพี่องค์เนี่ไม่ค่อยพูดแล้วนะเงียบหันซ้ายหันขวาหลอกแหลกหลอกแกลกพี่กลก็เลยถามแกว่าเป็นไรพี่องค์ขาดช่วงเหรอเปื่อยรลยไงพี่องค์ก็บอกว่าเฮ้ยเฮตอนที่เดินมานี่ยได้ยินเสียงคนเรียกเรื่อยๆเล ย, เลยว่ะแกพูดด้วยน้ำเสียงที่จริงจังมาก แต่ก็เหมืนแอบกระให้ผมฟังผมก็บอกว่าคิดมากนะใครจะเรียกพี่ลําพังแค่เสียงพี่พูดอยู่คนเดียวก็ไม่ทันจะให้ใครเข้าอ้าปากได้แล้วแกก็บอกว่าจริงๆนะเวย้ยตอนแรกนี่ยเรียกเลย อ, อง อ, องไอ้ข้าไม่รู้ข่าก็บอกว่าเฮ้ยอะไรหันไปมองข้างหลังก็ไม่มีใครว่ะแต่ก็ไม่แน่แหละอาจจะเป็นอย่างที่เองว่าก็ได้คงจะมึนๆนะ่ะสงสัยจะพูดมากไปข่าก็เลยไม่พูดไงก็เลยเงียบดูว่าเผื่อจะมีใครเรียกอีก ผมได้ฟังผมก็รู้สึก ง, งงๆแต่ก็รู้สึกใจไม่ค่อยดีแล้วแหละเพราะว่าในป่าในเขาอย่างนี้จากประสบการณ์ของผมเวลาใครเรียกหรือเจออะไรแปลกๆเขาห้ามทักห้ามขานอยู่แล้วนี่เมื่อคุยกันได้พอหอมปากหอมคออากาศเริ่มมืดแต่ตอนนี้หนาวเย็นมากเย็นอย่าง ก, กับหน้าหนาวเลยบรรยากาศที่มันสบายๆตอนช่วงเดินเข้ามาใหม่ๆมันไม่มีแล้วไงมันเป็นแบบอากาศเย็นเยือยเยื่อที่กนพวกเราก็แยกย้ายกันเข้านอน โดยผมนอนกับพี่ อ, องเต้นหนึ่งและอีกเต็นหนึ่งก็เจ้าชายนอนกับพี่วินคนดำทางพอพวกเราเข้าเต็นนอนกันแล้วในป่ามันมืดมากเงียบสนิทวังเวงมากเงียบจนน่าแปลกใจเพราะไม่มีเสียงของสัตว์อื่นใดเลยจักจั่น จ, ร จ, ร จ, ร จ, รจริ้งรีดเลไลไม่มีเลยในป่าเอาเป็นว่าบรรยากาศของป่าเนี่ยมันแปลกพิกลมันสงัมากเกินไปสักพักผมก็รู้สึกน่วง ก็บอกกับพี่อ๋องว่าพี่อ๋องผมนอนก่อนนะแกก็ บ, บอกว่าอืมนอนไปเลยพี่นอนไม่ค่อยหลับวะไม่รู้เป็นอะไรแล้วพอผมหลับได้สักพักหนึ่งผมก็ต้องตกใจตื่นเพราะได้ยินเสียงร้องของพี่อ๋องร้องลั่นเต็นเลยเฮ้ยเฮ้ยๆฮยอะไรสักอย่างแหละลืมตาขึ้นมาผมก็เห็นแกไปนอนอยู่ตรงทางออกเต็นต์ผมก็ไปดูแกเห็นแกนอนขด ท, ทําท่าทําตัวขดเป็นกุ้งเลยเอามือปิดหัวปิดหน้าไว้ เหมือนกับแกกลัวอะไรสักอย่างผมก็เขย่าตัวแกพี่องพี่องพี่อองเป็นไรเป็นไรเป็นไรพี่องเจ้าชายกับพี่วินเต็นจังข้างได้ยินก็เปิดเต็นท์รีบมาดูแล้วถามว่าเป็นไรเป็นไรเป็นไรไรแต่ตอนนี้พี่องแกสลบไปแล้วพวกเราก็เลยช่วยกันปฐมพยาบาลแกเช็ดหน้าเช็ดตาพัดลมให้แกฟื้นสักพัดพี่องฟื้นลืมตาขึ้นมาเห็นพวกเราก็แหกปากต่อบี้อีกพวกเราก็พลอยตกใจเป็นอีกและพี่วินก็ปรามว่า ใจเย็นใจเย็นใจเย็นเบาเบเบาเมีอะไรมีอะไรมีอะไรค่อยๆพูดค่อยๆพูดพี่องค์แกบอกว่าเฮ้ยพวกมึงเห็นไหมพวกมึงเห็นไหมเห็นไหมผมก็ถามไปเห็นอะไรพี่องค์เห็นอะไรก็เห็นมีแต่พี่เดียแหละตื่นมาแหกปากนอนอยู่ตรงเนี้ยพี่องค์แกได้สติสักพักหนึ่งแกก็เล่าให้ฟังว่าเฮ้ยมันไม่ดีเลยว่ะข้าชักไม่อยากนอนอยู่ที่นี่แล้วนี่มันไม่ดีจริงๆข้าฝันข้าฝันหรือว่าไม่ฝันก็ไม่รู้ว่ะ ตอนที่นอนไปแล้วอะถ้าจําได้ว่าเองอะบอกข้าว่าเองจะหลับแล้วแล้วข้าก็บอกว่าข้ายังไม่ง่วงแต่พอข้านอนไปเรื่อยๆลืมตามองโน่นมองนี่ไปเรื่อยๆแล้วก็คิดว่าจะตั้งใจหลับบ้างเพราะป่ามันเงียบข้าก็หลับตาลงพอหลับตาลงได้สักพักกาลังเคลิ้มเลย嘛รู้สึกหนักที่หัวพิกลข้ามีความรู้สึกว่าเหมือนมีใครกําลังเหยียบหัวข้าอยู่อะข้าก็เลยค่อยๆเอามือมาจับตรงหัวข้าเนี่ย พอจับไปปุ๊บข้าเจอกับส้นตีนใครก็ไม่รู้ที่อยู่บน้าผาค่าปลายเท้าเนี่ยมันเลยมาถึงจรงลู ก, กตาเลยแหละข้าจับดูข้าก็คิดว่าเร้นแรกไปแล้วนะเนี่ยข้าคิดไว้เองไอ้ทอนแกล้งข้าแต่มันหนักไปพยายามลืมตาดูพอลืมตาดูมันมืดอะข้าก่ อ, อกมือจับก็รู้แค่ว่ามันเป็นแค่ส้นตีนนี่แหละข้าก็บอกว่าทะลึงล่งทะลึ่งเล่นอะไรไม่รู้เรื่องเลยมึงเนี่ยข้าก็ค่อยเอามือเอื้อมขึ้นไป พอเลยจากตรงตะตุม่มมันไม่มีขาวะ่ะแกเล่าถึงตอนนี้พวกผมถึงกับผงะนิ่งกันเลยแล้วแกก็เล่าต่อว่าพบมันไม่มีขาข้าก็แหกปากลําตัวกระเด้งขึ้นมานั่งเลยแล้วพอขึ้นมานั่งปุ๊บมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นข้าก็เห็นเองนอนอยู่เฉยๆไอ้ทอนแต่ข้าเห็นซิปของเต็นเน่ยมันลูดเป็นรูโวอยู่หน่อยนึงตอนนั้นหัวใจข้าเต้นตุบตับตุบตั บ, ต, บ, ต, บตุบตับเลยข้าก็ปลุกเองเลยไอ้ทอนเขย่าแล้วก็เขย่าอีกเองก็ไม่รู้สึกตัวเลย และข้าก็คิดว่าสงสัยข้าจะฝันแน่ๆเลยแล้วข้าก็ได้ยินเสียงออกมาออกมาอ๋ อ, องออกมาข้าก็นั่งนิ่งๆอยู่สักพักหนึ่งพยายามคิดว่าตัวเองฝันร้ายฝันร้ายแน่ๆแล้วเสียงมันก็ไม่หยุดออกมาออกมาแล้วก็เสียงคนเดินรอบเต็นท์เลยคือพับปุบพับปุบับพบพบไปหมดข้าก็คิดว่าเฮ้ยเป็นไงเป็นกันวะข้าอยากดูว่าอะไรมันอยู่ข้างนอกวะเนี่ย ข้าก็เลยคลานไปดูตรงช่องซิปที่มันเป็นรูโว่ตรงนั้นพอาะข้าโผล่หน้าออกไปดูเทนั้นแหละข้าเห็นอะไรพวกเองรู้ไหมอะไร่ะพี่องค์ก็เล่ามาดิผมถามไปพี่องค์ก็บอกว่าข้าเห็นลูกกตาตัวใหญ่ลูกกตาคู่หนึ่งที่มันใหญ่มากใหญ่ประมาณเมตรคูณเมตรได้เลยแหละก็มองมาที่ตัวข้าตาแดงกรำมและยังไม่พอรอบๆลูกกตาก็มีลูกกตาเล็กอีกหลายคู่อีกหลายคู่รอบเต็นท์นั้นมองมาที่ข้าอย่างเดียวเลย และเสียงก็ละ ง, งไมไปทั่วเลยออกมาออกมาออกมาข้าตกใจกลัวมากตอนนั้นทําเลยไม่ถูกแล้วก็มันรู้สึกตัวไปทีก็ตอนที่แกมาปลุกข้านี่แหละพี่องค์เล่าไปเสียงก็สั่นไปน้ําตาแกก็ไหลพี่วินก็บอกว่าไม่ได้การนั่นแหละพี่วินก็เดินไปที่เต็นต์ไปหยิบกระเป๋าเป้ของแกมาและแกก็หยิบทูบออกมาแจกให้พวกเราคนละอันแล้วก็บอกว่าไปไปจุดทูบข้างนอกกันขอกขมาท่านเจ้าป่าเจ้าเขาสเสด็จนี้กันเลยพวกเรา ไม่งั้นมันจะไม่ปลอดภัยนะเนี่ยพี่องไม่พูดอะไรทำตามแต่โดยดีเดินตามไปแบบผงึกผงึกมองแลซ้ายแลขวาด้วยความหวาดระแวงทำเอาผมพอยระแวงไปด้วยเลยจ้ชายนี่นิ่งเงียบดูแล้วมันกลัวมากเหมือนกันจากนั้นพวกเราก็จุดทูปและกล่าวคำขอขามาโดยให้พี่วินเป็นคนนำพูดและเมื่อพูดจบพวกเราก็แยกย้าย ก, กันเข้านอนแต่พี่องน่ไม่นอนนั่นแหละ พี่ อ, องแค่ก็ชวนผมคุยเลยอย่างเดียวแกบอกว่าเอาเถอเอาเถอะอดนอนเป็นเพื่อนกูหน่อยแล้วกันถ้าหากให้กูนอนกูกลัวว่ะกูกลัวเดี๋ยวจะไม่ได้ตื่นแล้วซะผมก็เลยจําเป็นจะต้องอดนอนเป็นเพื่อนแกซะคืนนั้นสรุปได้สัมผัสกับบรรยากาศของป่าได้เต็มที่เลยคืนนั้นส่วนเจ้าชายกับพี่วินน่ะล่ะเข้าเต๊นนอนกันสบายไปเลยผมมีความรู้สึกว่าผมตัดสินใจผิดหรือเปล่าที่ชวนพี่ อ, องมาด้วยแต่ก็เก็บไว้ในใจอย่างเดียว เช้าตรู่ขึ้นมาก็เป็นอันว่าเราจะไม่เดินป่า ก, กันต่อแล้วเราจะเดินทางกลับกันออกมาเลยเพราะว่าพี่องเองก็ดูท่าทางจะไม่ไหวดูท่าทางแกเหมือนจะเป็นไข้ลุมๆพิกลซึ่งพี่วินก็เห็นดีด้วยก็เลยนําทางพวกเรากลับออกมาเมื่อกลับออกมาพวกเราก็ไม่ได้เที่ยวต่อที่จังหวัดนั้นรีบเดินทางกลับกรุงเทพกันเลยแต่พี่องแกอืดจริงๆแกก็ช่วยกันขับรถผัดกับเจ้าชายกลับมาจนถึงกรุงเทพจนได้ พอมาถึงกรุงเทพแกก็บอกว่าขอตัวไปโรงพยาบาลเลยเพราะแกบอกว่าแกเป็นไข้หนักมากแต่ที่ต้องขับรถกลับมาให้ได้เพราะแกคิดว่าอย่างน้อยอยังไงกลับไปถึงบ้านแกก็ปลอดภัยแล้วกันเรื่องราวของทริปนี้ก็จบลงไปโดยที่พวกเราปลอดภัยกันทุกคนยกเว้นพี่ อ, องค์ที่ปลอดภัยแบบจะไม่สมบูรณ์เอาก็เกือบจะไม่สมบูรณ์เั่นแหละก็เรียกว่าโดน ด, ดีนั่นแหละที่ไปลบหลู่ป่าลบหลูเ่เขาเข้า และพอผ่านไปสักประมาณสัปดาห์หนึ่งผมก็ได้ไปเยี่ยมเยียนแกที่บ้านแกเดินไปถามสารทุกสุกติมกับแกก็เห็นแกนั่งคุยอยู่กับเพื่อนแกแกเห็นหน้าผมแกบอกเลยว่าเฮ้ยถ้าจะชวนเข้าไปทีไม่ไปนะเว้ยกลัวไม่ได้กลับมาวะ่ะนี่แหละครับก็รับประโชคดีครับที่พวกเรายังได้กลับกันมาพร้อมหน้าพร้อมตาเหมือนตอนไปกันทุกคนและนี่ก็คือเรื่องราวชวนคนหัวลุกของพี่ธร ที่แชร์มาให้ผมเล่าให้ทุกท่านได้ฟังกันต่ออีกทีนะครับก็หวังว่าทุกท่านจะได้รับสาระและความรู้กับเป็ดเล็กเป็ดน้อยหากว่าใครอยากจะเดินป่าในครั้งหน้าอย่าลืมกดติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ